ให้กันเข้าไว้จะเศร้าจะซึ้งทำหม่ยิ้มให้ลองสดใสไม่มมยิ้มด้วยกันตรงนี้ จยิ้มสวยร้อยสองจุดสอง Smile Radio เปิดฟังเมื่อไรจะส่งยิ้มให้ไป้ะเปิดฟังเมื่อไรเราส่งยิ้มถึงใจฝากเพลงมาเสียให้ Smile Radio